มีโอกาสมาพกกัท่านพุทธบริษัทโดยท่านบุรฟังในหัวข้อที่กล่าวว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกคราวที่แล้วมาได้พูดถึงลักษณะสี่เพราะคนดีอันดับที่หนึ่งคาว่าอันดับนี้ไม่ใช่ยกย่องว่าสูงกว่ากันคือเป็นข้อที่หนึ่ง่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ ว่าจงคบแต่คนที่มีความเมตตาคือความรักยองคบแต่คนที่เขารู้จักสงสารเรายองคบแต่คนที่เขาไม่อฉาดิษยาเราเพราะเราได้ดรีบรอยยินดีด้วยยงคบแต่คนที่มีอารมณ์เป็นกลางยอมรับกฎระเบียบของกฎหมายและก็กดข้อบังคับของเขต แล้วก็ประเภทมีนิยมถ <c oughs> ้าหากว่าเรารู้จักคนดีประเภทนี้คบแต่คนดีประเภทนี้เราก็จะมีความสุขไมเมื่อเราคบกับเขาเขาทําดีเราก็สนองความดีตอบด้วยความรักความสงสารแล้วการไม่ฉาดเสียกันเห็นเพื่อนได้ดีเราก็ปล่อยยินดีด้วยพยายามศึกษาความดีของเขา ว่าทำยางไรเขาจึงจะได้ดีอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นคนรักษากฎหมายรักษากฎข้อบังคับรักษารษาะเบียบประเพณีไม่ฝ่าฝืนถ้าโลกนี้ต่างคนต่างดีแบบนี้โลกจะมีความสุขและความทุกข์ตานจริงกฎหมายข้อบังคับที่มีขึ้นมาไว้ก็เพราะว่ากันคนชั่ว กฎครอบังคับขุมูวคณะที่มีขึ้นมาก็กันคนชั่วระเบียบระเบียบประเพณีที่มีขึ้นมาก็กันขอ้อข้อคนชั่วกันไว้ไม่ทําความชั่ ว, วเราท่างหลายที่ยันอยู่ในขอบเขตนะั้นจะมีความสุขถ้าเราดีกันเสียจริงๆแล้วต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสงสารเกือือกูลซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างไม่ช้าดิสหยาซึ่งกันและกันศึกษาความดีของกันและกันและปฏิบัติตามความดีนั้นต่างคนต่างมีอารมณ์ปกติขณะที่มีบุคคลใดเพียงแําก็ไม่โกรธแทนบุคคลผู้หลงโทษเรานั่งหลับตาไม่ก็โลกมีทางโลกจะมีความสุขจะมันโลกมีความทุกข์โลกที่รับรายข้าวฟันซึ่งกันและกัน มนลานนีมีผู้ก่อการร้ายมีผู้ก่อการดีมีอะไรต่ออะไรที่คิดกันขึ้นมาถ้าทำกันขึ้นมาอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญอาศัยความรักกันอาศัยความว่าความรักกันไม่มีคิดปัตถุสลายซึ่งอะกันไม่รักกันไม่สงสายกันไม่หวังดีต่อกัน ก่าว่าเรารักกันใช้จริงๆสงสารกันจริงๆหวังดีต่อกันกันจริงๆการรบราฆ่าฟันกันในโลกมันจะมีไหมมีคนรักกันที่ไหนบ้างที่ว่าฆ่าคนรักเมื่อบางคนบอกว่าสามีฆ่าปัญญาปัญญาฆ่าสามีพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อพี่อยู่ ไอ้คนลักษณะอย่างนี้พระพุทธศาสนากล่าวว่าเขาไม่ได้ใช่คนดีคนที่เขาฆ่ากันเนี่ยเขาไม่ได้รักกันเดิมทีอาจจะมีความรักกันแต่ต่อมามีความเห็นไม่ตรงกันมีความประพฤติไม่ตรงกันดูในลักษณะสี่ประการดหนึ่งความรักสองสงสารความสามยินดีเมื่อปคนอื่นได้ดีไม่จ้าดิ่ยาเขา สี่วางเฉยในกฎขุอกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำด้วยการ้างผัสคนที่ต้องฆ่ากันเขาขาดอะไรตรงไหนบ้างถ้ารักกันเขาจะฆ่ากันไหมถ้าสงสารกันจะฆ่ากันไหมนี่ถ้าจะถามว่าที่ถ้าเขาต้องฆ่ากันเพราะอะไรเขาบกว่าไม่รักกัน ไม่สงสัยกันไม่เห็นใจซึ่งกันและกันไอ้ความเห็นใจเดิมมันหมดไปมาตอนหลังมีสิ่งใดที่ให้สัญญากันไว้เราไม่ทําตามนั้นเพรว่าสัญญาถ้าไม่เป็นสัญญาสัญญาหมายถึงการตกลงตกหลงกันไว้ว่าเราอยู่ร่วมกันทํางานแทนกันเราจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ แต่ในเมื่อเราเข้าไปทํางานอย่างนั้นแล้วได้อยู่ร่วมกันแล้วต่อมากลับเอาใจใจของเราไปสําคัญไม่ได้คิดถึงสัญญาที่ว่าไว้นั้นย่านี้มันก็เป็นศัตรูกันในเมื่อต่างคนต่างเป็นศัตรูกันการประหัตประหารซึ่งกันและกันมันก็มีขึ้นดปงน้นว่าเราเลิกรักกันซะแล้วนี่ เราเล่สงสารกันเสร็จแล้วถ้าเรายังรักเราอย่าสงสารกันอยู่อาการอย่างนั้นมันไม่ปรากฏมีเป็นอนวุว่าถ้าเรารักกันจริงๆสงสารกันจริงๆไม่ช้าได้เสีซึ่งกันจริงๆมีอารมณ์ทรงไว้ซึ่งความดียอมรับนภีกขุงความดีโลกนี้ทั้งโลกลองนั่งดับตาเน็ค จะเป็นจี๊ดจะเป็นแครจะเป็นจีนจะเป็นลาวจะเป็นฝรั่งมันค่าที่ไหนก็ช่างเห็นหน้าก็คิดว่าคนนี้เป็นคนที่รักของเราแล้วเราก็รักจริงๆแล้วเขาก็รักเราจริงถ้าต่างคนต่างรักกันละของของราคามันก็ไม่แพงมันไม่แพงหรอกมารักกันอีกดีไม่ดีก็ให้กันซะเลย มีคนจะซื้อของก็ไม่อยากจะขอต่อรองในราคาเพราะว่าท่านเพิขายต้องขายให้เราด้วยความรักเราก็เต้าสนองตอบแทนท่านด้วยความรักท่านว่ามาเท่าไรแล้วก็ให้เท่านั้นของมันก็ไม่แพงเกินปกติเราก็มีจับทรัพย์สําหรับจับจ่ายใช้สอยในการตอบแทนซึ่งกันกัน ถ้าหาว่าอารมณ์ของชาวโลกเป็นอย่างนี้ได้การที่ต้องมาให้คนเขาจัดสรรแบ่งที่ให้แก่เราควบคุมเรามันจะต้องมีไหมเจ้ยวว่าจะเจ้าหน้าที่ฉั้นหัวนหน้าเลยแม้แต่รัฐบาลก็ไม่ต้องมีกฎหมายสักมาตราหนึ่งก็ไม่ต้องร่างเพราะประมาณของพื่อนึงก็ไม่ต้องมีจะมีไว้ทำไม ว่าประมาณของแผ่นดินที่จะมีไว้ก็ไว้เพื่อใช้คนที่มีความเป็นอยู่ไม่พอกินไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อว่าอะไรมันขายแคลนอย่างน้ำไม่ขายก็ช่วยกันสร้างชนประทานกินมาอย่างนี้ก็ต้องมีเจ้าหนะ้าที่มีผนหน้าฝลไม่มีก็ออกสร้างจาดจะเอาลงทนทําฝนเทียม ไม่ว่าอะไรก็ตามพืชพันธุยาหาันมันไม่ไม่ดีก็หาปุ๋ยหาอะไรมาใส่ท่านี้เพราะอะไรแล้วก็ต้องตั้งคนที่ตั้งเพ่าะ อ, อะไเพราะเราต่างคนต่างไม่รักกันจริงนี่ถ้ารักกันจริงๆคอยช่วยเหลือกันจริงๆไม่ต้องไปตั้งคนหน้าเองงบประมาณปีล้านหลายหมื่นล้านนี่ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีรัฐมนตรีไม่ต้องมี อะไรประหลาดใจสวงไม่ต้องมีที่บรูรดีไม่ต้องมีผู้ ว, ว่าดใหญการยังหวัดไม่ต้องมีแม้แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะไปมีกันทําไมมันมีประโยชน์อะไรในเมื่อเราต่างคนต่างช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันไม่ต้องไปมีอะไรทั้งหมดเนลานวันโลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องใจเงินเปล่า ว่าจ่ายเงินปล่าก็หมายถึงการจ่ายเสียภาษีก่อนต้องจ่ายออกไป ท, ทั้งๆที่เราทํำของเราได้โดยเฉพาะเพราะว่าเสียก่อนนี่ต้องไปจ้างคนเข้ามาควบคุมเราเอ่คนที่เราจ้างมาควบคุมเรานี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเราไปจ้างคนดีมาเราก็มีความสุขแต่เราจ้างคนไม่ดีมันก็มีความทุกข์ บางทีเงินเดินที่เราให้เขาเนะี่ยมันไม่พอใช้แล้วมันน้อยไปสําหรับเงินที่เขาได้ไมันจะได้ความไม่ดีของเขาที่เราต้องเสียไปเพราะอะไรเพราะว่าชาวโลกไม่รักกันชาวโลกไม่สงสารกันชาวโลกมองแต่อารมณ์อิจฉาที่สิยาซึ่งกันเลยกันชาวโลกไม่มีไม่วางอารมณ์ใจให้เป็นสุข ในขณะที่เหตุไม่เกิดขึ้นที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ลูกน้องไปมีโทษมีความผิดลูกพี่ช่วยเหลือไม่ยอมให้บุคคลเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจการตามกฎหมายใช้ขอร้องบอกขอเรื่องนี้จนเลิกกันไปถ้าเอาแค่ขอก็มาคนไดทั้ทงทั้งที่ฝ่ายนั้นเขาถูกทาร้ายอย่างหนักมีคนที่เขเจ้าเราจ้างเขาไปนะ่ะ ให้เงินดาวให้เงินเดือนเอาเสียภาษีเาเสียก่อนให้เขาแต่เขาไป ม, มีตำแหน่งหน้าที่เขาเขายังละเมิกดกฎหมายเสยเองอย่างนี้ก็มีทมไปตำหน้าข่าวข่าวหน้ากระดาษทางเสื้อพิมพ์ในที่โลกมีความทุกอย่างนี้กับพระว่าข่ายการรักขายการเมตตาปรานีสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันละกันไม่ยอมรับเนื้อนับถือกฎข้อบังคับที่วางไว แล้เราจ้างเขาไปทำไมที่เราต้องจ้างเขาก็เพราะว่าเรามันงโง่แล้วเขาจะด่าย้อนมาจดหมายด่ามาก็ได้ตามใจเธอะถ้าชาวโลกไม่งโง่รัก ก, สสกันทั้งหมดสงสารกันทั้งหมดช่วยเหลือกันทั้งหมดไม่ต้องไปจ้างไอ้งบประมาณต่างๆไม่ต้องเสียไม่ต้องใครมีคมใครมีใครมาควบคุม ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นโลกจ ะ, จะมีความเจริญไหมก็ลองดูภาษีก่อนปีละกี่หมื่นล้านที่เราเสียไปเฉพาะประเทศไทยแล้วเงินนอกภาษีนอกมาก่อนที่เราต้องเสียเข้าไปไม่เกินกว่าภาษีก่อนธรรมดาสําหรับพ่อค้าและแหล่งงานเงินประเภทนี้ถ้าไม่ต้องเสียออกไปแล้วก็บ้านเมืองมันจะมีความสุขจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้หรือว่าจะเลวกว่านี้ คนที่มีความรักความสงสารซึ่งกันและกันน่ะถ้าต้องการไว้ที่นี้มันเดินไม่สะดวกเราไม่ช่วยกันทําถนนดีไหมก็คนดีซะหมดแล้วรักกันสงสารกันหมดแล้วเนี่ยพราตกลงเราทําถนนกันจากหมู่บ้านนี้ไปหาหมู่บ้านโน้น <c oughs> จากหมู่บ้านโน้นไปหาหมู่บ้านนั้นท่านน้ําไม่พอใช้ไม่พอสอย ก็ทาเขตกักน้ากันน้าทดน้ําไว้เฉพาะในเขตของตนแต่ละเขตแต่ละเขตต่างคนต่างก็ช่วยกันทามันจาจะต้อง เ, งเื้อเงินเสียค่าวัตถุเราก็ช่วยกันเสียแรงงานไม่ต้องเสียช่วยกันทำทุกอย่างตามความสามารถที่จะทำได้ได้อย่างนี้จต้องไปเสียเงื่ประมาณให้ใครไหม เรื่องโจรผู้ร้ายไม่ต้องปราบปราบทำไมเรารักกันสมบูรณ์แล้วมันจะมีโจรจะมีผู้ร้ายที่ไหนตางรักกันต่างมีความสงสารกันก็ไม่ต้องจับปราบโจรไม่ต้องปราบผู้ร้ายเป็นนั้นว่าถ้าโลกเกลียดกูนกันอย่างนี้ถ้าใครป่วยใข้ไม่สบายก็ช่วยกันส า, าพยาบาลอะไรก็ตามที่มันเป็นความเจริญของท้องถิ่น ต่างคนต่างช่วยกันในความสามคัคคีมีความรักมีความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันเอากันแค่โรงเรียนนะ แ, แค่คันคลองคันโคสําหรับทดน้ําเหมืองฝ่าย <c oughs> ต่างคนต่างช่วยกันทําแบบนี้ความทุกข์ของโลกมันจะมีมาจากไหนนี่เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่ว่าโลกยังไมไ่ยอมความรยอมรับ คามช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาต่างหากแต่ยยอดถามก็มาว่าที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกมีอะไรเป็นหลักฐานบ้างที่คนในเขตของพระพุทธศาสนาเอาคําสอนของพระเจ้ามาช่วยประชาชนเวลานี้ก็ขอบอกได้ว่าไม่เยอะอย่างเขาตั้งธรรมทูต หรือว่าอะไรก็ไิสาดที่เข้าป่าเข้าดงกันแต่ธรรมทูทษีนบางจุดก็้ามาในเรื่องเหมือนกันพูดโูดไปเรื่อยถึงเดินเข้าไปพูดทีพูดเปล่าเปๆๆาเปาเปาปล่าแล้วก็กลับธรรมทูทแบบนี้ไม่มีผลสู้พวกที่เขาส่งเขาไปในป่าดงพงไพรไม่ได้นี่คนในเขตพระพุทธศาสนาคือพระ เขีนตั้งไว้ทั้งสองเขตสำหรับธรรมทูต ท, ที่เขตที่ไปพูดกัชบชาวบ้านแล้วก็กลับข้อประธานอภัยเถอะดีไม่ดีท่านธรรมทูตเองนะท่านก็นล่อใครจะ่ใครค ย, ยับเยินแบบเหมือนกันถามว่าลออใครก็บอกเนี่ยคนพูดเนี่ยโดนมาแล้วโดนธรรมทูตเรียกไปชมพักพวกต่อต้านอะไรก็หลายอย่าง จะพูดไปเลยมันหลายอย่างจะธรรมทูตบางคนไม่ใช่ทุกคนเพว่าเป็นอาวัคขาณะธรรมทูตคณะหนึ่งอาจจะเป็นสี่ห้าท่านแต่ท่านหนึ่งในะจํานวนนั้นต่อต้านในด้านโซนสาธารณะประโยชน์มีโดนนี่เป็นอาวัาตั้งไม่เป็นคนตั้งก็สัตวะตั้งเหมือนกัน นี่ก็ต้องไปดูคนตั้งโดวยว่าคนตั้งมีทัศนนอะไรทำไมยังตั้งแบบนั้นไม่มีหลักการในการตั้งแต่ว่าธรรมทูที่ท่านดีก็มีเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องดีๆกันแล้วต้องมีความฉลาดด้วยการแต่งตั้งการช่วยเหลือมนเขตขุมทรัพย์ศ า, า, าสนาตัวอย่างที่นพรพุทธโคสาราจารย์วสัมพยา เวลานี้ถ้าไปตั้งสถานที่หน่วยอบรมประชาชนกะมีการกำหนดหรวอว่าถ้าโอกาสกับท่านมีเวลานี้ท่านก็แก่มากแล้วเพราะฉ้่าตั้งให้ทั่วทุกตำบลในเขตของประเทศไทยให้บรรดาพระสงฆ์ในพุทธศาสนาที่มีความดีให้ความเข้าใจกับบรรดาท่านพุธลปิตา อย่างนี้เป็นการการกกทาตามแผนการให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันให้รู้หลักการในการประปฏิบัตินี่มาอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าพระในเค ข, ของพระพุทธศาสนาช่วยกันในด้านการศึกษา ม, มากในสมัยโบราณผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นใหญ่เป็นตัวมาจากวัดแม่แต่พระมห า, ากษัตริย์สมัยก่อนก็มาจากวัดเหมือนกัน อาวัดเป็นมหาวิทยาลัยสั่สอนกันวัดเนี่ยสอนทั้งสองอย่างสอนวิชาความรู้แล้วก็สอนเรื่อความประพฤติกนไม่มีวิชาความรู้ดีแต่ว่ามีความประพฤติไม่ดีก็ใช้ไม่ได้โลกมีความทุกข์กลับเอาวิชาความรู้นั่นแหละไปทําลายความสุขของเพื่อนร่วมชาติเพราอเพื่อนร่วมโลก ดีไม่ดีก็ทําลายความดีประหัตประหารคนที่มีคุณอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันนี่มีมากฉะนั้นการศึกษาที่ออกมาจากวัดก็ไม่มีทั้งความรู้และมีความประพฤติดีถ้าจะถามว่ามีใครบอกว่าเยอะที่ท่านรู้จักอย่างพ่อขุนรามคาแหงมีความรู้มาจากวัดที่เรานิยมทั้นวันดี พระนรายมหาราชพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทสรสพระเจ้าตากสินมหาราชพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกไม่ว่ารัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกอะไรก็ตามเสมมัยนั้นทุกท่านมีความรู้มาจากวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ห้าพระราชโอรสของพระองค์จะต้องบทเมน ถ้าหากว่าจำไม่ผิดโอกาที่เพิ่งมีบดวยว่าจะต้องบทเมนบทพาทั้งหมดเป็นอำนาจสมัยก่อนคนมีความรู้น้อ ย, อยกว่านี้เราไม่เคยไปเรียนต่างประเทศไม่มีมหาวิทยาลัยเพียงกับมันได้จากสรารวัตรแต่ก็สามารถสร้างประเทศไทยให้ใ ห, ใหญ่โตได้ แล้วก็ทำประเทศไทยให้ใจเจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ว่าเวลานี้คนมีความรู้มากมากกว่าสมัยนั้นเรามาดูทังความรุ่งเรืองกันถ้าเราจะเอาคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้มาเทียบกันว่าคนสมัยนั้นมีความรู้น้อยบรรดาบรรดาประชาชนก็น้อยกิ่การงานที่จะทำเงินก็น้อย และ ว, ว่าความสุขเขามีมากหรือ ว, ว่าความสุขเขามีน้อยในด้านการยุติการสงครามเราเป็นประเทศที่ถูกลุกรานเรื่อยมาเราทั้งๆทงี่เรามีเป็นคนที่มีกำลังน้อยสรรพาวุธ ก, ก็ น, น้อยทรัพย์สินก็ น, น้อยแต่ว่าเรายนสาเอาตัวรอดอยางสมัยพระเจ้าคุณรามคำแหง เวลานั้นเรามีคนไม่กี่แสงคนนับตั้งแต่เด็กเกิดใหม่ไปทึ้งแก่ใกล้จะตายแต่เราก็สามารถขยับขยายเขตของประเทศไทยไปกว้างขวางแลกคนก็มีความมั่งคั่งสมบูรณ์จะรุนได้าจากทรัพย์สินต่างๆเรียกว่าภาวรวัตถุในการก่อสร้างมีความรุ่งเรืองมาก นี่ได้เจเห็นว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและคนในเขตพพุทธศาสนาที่รับฟังคำสอนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้มีความสุขมีประการหนึ่งก้าวไกลไปลึกเข้าไปมองไม่เห็นแล้วมาตอนสมัยปัจจุบัน พระเจ้าทุกท่านให้ความสุขมัญดาลลูกหลานเขาจบ้านที่เข้ามาราศายวัดศึกษาในด้านพระปริยัติทุกด้านและก็มีหลายวัดดอวกันที่ตั้งโรงเรียนขึ้นมาในวัดเพื่อเป็นการเกื้อกูลบุคคลจนจะได้มีการศึกษาเท่าเทียมกับคนที่เขาร่ำรวยถ้าสอนกันตั้งแต่ปฐมปีที่หนึ่งถึง มัธยมปลายก็มีกันหลายวัดแล้วมีหลายแห่งในวัดที่ตั้งมหาวิทยาวิทยาลัยขึ้นเพื่อมีการเพื่อกวนกระบคลที่มีทุนน้อยจะได้มีความรู้ถึงขั้นมหาวิทยาลายัย <c oughs> มีเป็นอนุว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกคนในพระพระุทธศาสนาก็ช่วยแล้ว ด้านศิลธรรมก็พยายามสอนทุกอย่างให้คนรู้จักดีและฉับชั่ว <c oughs> เป็นอันว่าคนในพระพุทธศาสนาก็พยายามช่วยโลกแต่ว่าคนที่รับการช่วยเหลืออย่างน้อยเกินไปสมมติว่าถ้าเวลานี้ทอาวคประธานอภัยมีสมัยหนึ่งที่ทางรัฐบาลให้วัดช่วยสร้างโรงเรียนสมัยนั้นโรงเรียนยังไม่มี ให้สลาวัดเป็นที่ศึกษาถ้าวัดไหนสร้างโรงเรียนได้ให้ทุนครึ่งหนึ่งเวลานั้นวัดต่างๆสร้างโรงเรียนกันเป็นแถวไปที่ไหนก็เห็นจะมีการสร้างโรงเรียนเวลานั้นว่ารัฐบาลก็เสียงินประมาณไปเป็นครึ่งเดียวไม่ต้องเสียเต็มหลังโรงเรียนอย่างสมัยปัจจุบัน นี่ก็ผลดีมาจากไหนผลดีก็มาจากชาวบ้านช่วยกันรู้จักว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนขึ้นตัวเพราะงินนอกเหนือจากที่รัฐบาลจะให้เป็นเงนที่ชาวบ้านช่วยกันว่าต้องสร้างขึ้นมาเพื่อลูกคนหลานของเราจะได้มีวิชาความรู้แล้วก็โรงเรียนหลังนั้นนั้นจะมีแร่ใสาการดูแลจ้ากรรมการโรงเรียน อะไรมันยจะเสียหายลงไปบ้างสุดส่งไปบ้างเขาว่าช่วยกแก้ช่วยช่วยช่วยกันซ่อมช่วยกันทำในอย่างนี้ถ้าถอยหลังกันลงไปจะเห็นว่าคนในเขตพระพุทธศาสนาเต็มใจช่วยประเทศช่วยโลกช่วยประชาชนในสมัยปัจจุบันนี้การสร้างโรงเรียนก็ดีสร้างสุขสันตลายก็ดีสร้างโรงพยาบาลก็ดีแต่ ท, ทําำถนพืน้นทางในเขตสั้นๆ ที่ไม่เกินมีสัยเฉพาะในตำบลนั้นๆถ้ารัฐบาลจะลองดูว่าขอให้บรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาชี้แจงเหตุชี่แจงผลให้บรรดาประชาชนช่วยกันสร้างความเจริญในท้องถิ่นจะลองดูถ้าอะไรมันไม่เกิดไปการเกินมีสัยให้ทุนครึ่งหนึ่ง ในการให้ทุนเครื่องหนึ่งก็ตั้งเกล้ากฎตั้งเกณฑ์เหมือนกับการสร้างโรงเรียนสมัยหนึ่งว่าถ้าให้ไปแล้วกิ่การงาน น, นัลนจะต้องสำเร็จเรียบร้อยภายในปีนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าทำไม้สำเร็จจะต้องมีโทษใช้เงินคืนเพียงเท่านี้ลองดูก็ได้ ว่าคนในเขตมุตตศาสนาที่รับคำแนะนำรับรองคำสอนองค์เดชขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า <c oughs> เขาจะปฏิบัติกันได้ไหม <c oughs> ถ้าทำกันอย่างนี้ความเบาใจของรัฐบาลก็จะเบืองมีการใช้ใจ่ายมันก็ลดไปถึงห้าสิบเปอร์ซนแล้วก็ขอประทานโทษว่าคนของรัฐบาล เวลาที่จะมาตรวจงานกรุงนาส่งคนดีมาด้วยช่วยส่งคนขี้อายมาแล้วส่งคนกลัวมาผลงานจะสำเร็จผลจะทำให้ประเทศไทยมีค่าใช้ใจ่ายลดงประมาณไปครึ่งหนึ่งทุกๆอย่างตามที่ต้องการอานาวันสำหรับบรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่านเวลาวันนี้มันก็หมดไปแล้วนี่สำหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลก ในเมื่อเวลาหมดก็ต้องขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์พุ่น ผ, ผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี